รู้สึกยินดีมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมามาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยแบ่งปันให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราก็มาทำหน้าที่เหมือนกันนะเป็นพุทธบริษัเป็นผู้พูดแล้วก็ผู้ฟัง พุทธบริษัทนี่ก็หมายถึงผู้ที่เข้าใกล้เข้าใกล้ พ, พระพุทธธรามประสงค์แล้วก็ฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจต่อไปจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงนี่คือหน้าที่ของผพุทธบริษัทแต่สาเร็จรูปแต่วันนี้นี่ผมเองนี่คือผู้พูดได้ทําทคือผู้ฟังก็ต้องอนุโมทนาก่อนๆว่ารู้สึกยินดีที่ทุกท่านเนี่ย สนใจฝักฝ่ายในธรรมะอันนี้แหละถือว่าเป็นบุญคนสมัยนี้นี่ไม่ค่อยสนใจธรรมะเห็นว่าเป็นเรื่องคลึกละลาสมัยอันที่จริงเนี่ยธรรมะนี่เป็นเรื่องปัจจุบันเรื่องลาสมัยเมื่อสองพรอกว่าปีนั้นก็เป็นเรื่องพุทธประวัติไม่จะเป็นต้องไปศึกษามากก็ได้แค่รู้ๆผ่านๆได้ยินได้ฟังแต่เรื่องธ ร, รมะนี่เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องของชีวิต เรื่องของตัวเราแท้ๆเลยต้องแบ่งนะส่วนเรื่องสองพันกว่าปีนั้นพุทธประวัติธรรมะเป็นเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้คือธรรมะวันนี้ก็อนุโมทนาก็จะมาชวนญาติธรรมทุกท่านต้องขอเรียกว่าญาติธรรมนะรวมกันจาติธรรมญาติในทางธรร ม, มชวนญาติธรรมทุกท่านเนี่ยทําจะให้เป็นบุญบุญ เป็นชื่อของความสุขการฟังธรรมนี şey totally ่ก็ถ uh ือว่าเป็นบุญการพูดธรรมะก็เป็นบุญการสมทนาธรรมก็เป็นบุญเพราะว่าเรื่องที่พูดเรื่องที่ฟังเรื่องที่สมทนากันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทำให้เราต้องเป็นทุกข์แม้ว่าเรื่องที่เป็นทุกข์แต่ก็เป็นเรื่องที่วิธีการแก้ปัญหาความทุกข์เพราะเราสามารถสร้างบุญได้นะครับที่เราฟังสร้างความสุขได้ บุญเนี่ยวันหนึ่งเราทำได้หลายๆายอย่างคนเรานี่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นี่ก็เพราะว่าบุญรักษาหลายคนเนี่ยอยู่ไม่ถึงวันนี้เนีายลมหา ย, ายจจกาไปก็เยอะคนที่อยู่ถึงวันนี้ได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญและบุญเนี่ยมีโอกาสที่จะหมดไปได้เหมือนสตังค์ในกระเป๋ามีได้เดี๋ยวมันก็หายไปบุญนี่เราต้องสร้างอยู่เสมอเสมอพพูดถึงเรื่องบุญนี่เราก็นึกถึงอะไร แลถึงการให้ทานการให้ทานก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบุญบุญมีหลายอย่างอย่าเน้นว่าต้องให้ทานอย่างเดียวหรือให้วัตถุสิ่งของอย่างเดียวการให้การแบ่งปันคือส่วนหนึ่งของการทำบุญอันนี้ต้องเสียทรัพย์แต่คนที่ไม่มีทรัพย์ก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนเป็นให้เหมือนกันแต่ให้อภัย ให้อภัยทานนี่ก็เป็นบุญเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียทรัพย์เขามีพระสิทอยู่ว่าผู้ที่ขอมักเป็นผู้ที่น่ารังเกียจสำหรับผู้ให้ผู้ขอเป็นผู้ที่น่ารังเกียจสหรับผู้ให้ผู้ให้เป็นบุคคลที่น่ารักกับผู้ขอแต่การให้ที่ไม่น่ารังเกียจนั้นคือให้อภัย <c oughs> การขอที่ไม่น่ารังเกียจกัเหมือนกัน คือการขอโทษเพราะนั้นการให้อภัยถืว่าเป็นทานไม่ต้องเสียเงินเราให้อภัยใครสักคนหนึ่งเนี่ยใจเราก็ดีแต่ถ้าผูกใจเจ็บเมื่อแล้วก็ใจเราก็จะเป็นทุกข์ไม่ถือโทษกดเคืองเนี่ยถือว่าให้อภัยนี่คือส่วนหนึ่งของบุญที่ไม่ต้องเสียทรัพย์การรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญศีลเนี่ยสำคัญนะศีลห้าศีลแปดเนี่ย คนเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะต้องมีศี่ห้าเป็นหลักไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าชีวิตเราทุกคนหรือในโลกเราทั้งโลกเนี่ยมีแค่สีลห้าเนี่ยคุกตารางก็จะน้อยลงไปศีลห้าไม่เบียดเบียนพูดให้เดือดร้อนศีลแปดไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตนเองให้เดือดร้อนสเกต ด, ดูสี่แปดนี่ก็เพิ่มอาหาร หลังเที่ยงที่นอนสูงใหญ่ดูฟอ้อนล้ำขับร้องเนี่ยอันนี้เบียดเบียนตัวเองนะทําให้จิตใจฟุ้งซ่านี่ไม่ค่อยได้พักผ่อนอาหารหลังเที่ยงก่อนนอนนี่ก็อาหารที่เกินความจําเป็นอันนี้ถ้าทานแล้วก็อาจจะเบียดเบียนตัวเองเคดีก็บอกว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยทานแล้วตายผ่อนสงเพรามีการสะสมจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ถือศีลห้าศีลแปดก็ถือว่าเป็นบุญถ้ามีโอกาสนีศีลห้าแสดงถึงความเป็นมนุษย์ผู้ที่ขาดศีลห้านั้นยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ตามหลักธรรมนะการภาวนาการภาวนาก็เป็นบุญภาวนาคือการทําจิตให้เจริญอันนี้เป็นบุญนะการภาวนาการทําจิตให้เจริญการทําสมาธิเป็นที่การภาวนา การเจริญวิปั ส, สนาอันนี้ก็คือภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมแต่ผู้อาวุโสอ่อนน้อมกับผู้ที่มีบุญคุณกับเราอ่อนน้อมกับเพื่อนการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการฝึกจิตที่ดีมากเพราะคนเราเนี่สัญชตาตญาณนี่ก็มีมณฑทิฐิมากนะ มรณะทิฏฐิเนี่ยทำให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามีตัวตนมากการอ่อนน้อมถ่มตนเนี่ยถือว่าเป็นการลดละตัวตนยิงจองห้องไม่ยอมใครเนี่ยการอ่อนน้อมถ่มตนการยกมือไหว้เนี่ยช่วยได้ละกิเลส ต, ตัวนี้ได้กิเลส ต, ตัวนี้นี่ละยากมากต้องเป็นระดับอหรหันต์จะละได้ความมรณะทิฏฐิเนี่ยแต่ว่าการอ่อนน้อมถ่มตนเนี่ยเป็นการตัดกําลังกิเลสตัวตน เมื่อตัวตนน้อยลงความทุกข์มันก็น้อยลงไปตัวตวนมากความทุกข์ก็มากอาการอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นบุญการขนขวายที่จะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นบุญอาสาสมัครทั้งหลาย น, นี่ก็เป็นบุญแต่ต้องไม่รับสิ่งตอบแทนนะไม่เอาสิ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นบุญเหมือนกันช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังติ่งตอบแทนการแผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ อันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเช่นเราไปทำบุญมาเนี่ยเราได้บุญอยู่แล้วแค่เราไปทำบุญให้ทานสมอให้ถานแต่เรามาถึงญาติพี่น้องเราลึกท้ายก็ตามเราก็จะพูดว่าเอาบุญมาเผื่อเอาบุญมาแผ่เเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบุญทำบุญแล้วก็ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เอาบุญมาแผ่ได้เป็นสองครั้งบางคนอาจจะสงสัยนบอกว่าเอ๊ะเอาบุญไปแผ่แล้วเนี่ยบุญเราก็หมดสิบุญนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งแผลยิ่งมากไม่เหมือนขนมนะขนมยิ่งแบ่งนี่มันน้อยลงนะแต่ได้เป็นสองทิ้นก็ได้แนละ้วขนมเนี่แต่จํานวนมันน้อยลงไปเหมือนอย่างกับคบเพลิงเรามีคบเพลิงอยู่เนี่ยเรามีคบเพลิงแล้วก็ไปต่อคนโน้คนนี้เแต่แต่ละคนก็มีไฟมีคบเพลิงเต็มพร้อมทุกคนบุญเนี่ยเอาบุญมาแผ่เราได้บุญอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่เข้าบุญมาแผ่แล้วเนี่ยเราเฉยทำไม่รู้ไมท่ทิ้เราก็ไม่ได้บุญอีก แล้วก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาโอ้เราพลอยได้ไปอีกครั้งหนึ่งด้วยอนุโมทนาการอนุโมทนาบุญเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยลดละความอิจฉาลิษยาถ้าเกิดเป็นการพลอยยินดีเมื่อให็นอื่นเขาทำความดีพลอยยินดีกับเขาลดละกิเลส ต, ตัวที่อิจฉาลิษยาเห็นใครทําความดีปลอบมือให้เขาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการพลอยยินดีเราก็ได้บุญด้วย การฟังทมการพูดธรรมะอันนี้ก็เป็นบุญแลวบุญอีกข้อนหนึ่งคือสำคัญก็คือการทำความเห็นให้ถูกตรง <c oughs> การทำความเห็นให้ถูกตรงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญในขั้นที่ว่าทำให้เรามีปัญญาในภาษาธรรมเรียก ว, ว่าสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องตามที่มันเป็นจริงคาว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นคํลากลางนะ ทิฏก็มีสัมมาทิฏคือเห็นถูกต้องอีกกลุ่มหนึ่งคือพิชชาทิฏในเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมสัมมาทิฏคือว่าเราเห็นว่าเห็นเรื่องกรรมเห็นเรื่องการให้ผลของกรรมอย่างถูกต้องเห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกเห็นความพ้นทุกเห็นวิธีการปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคือสมาธิฐิเห็นถูกต้องส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมิจฉาทิฏฐินี่อันนี้อันตรายมากเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่อันตรายมากเขาจะบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตก็คือความเห็นผิดอันนี้เลวร้ายที่สุดเลยเพราะนําพาไปสู่ความทุกข์ความลําบากคนทั่วไปเนี่ยสังเกตดูนะ มองโลกไม่เป็นตามความจริงไม่เห็นตามความเป็นจริงไงโลกมันไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นทุกข์โลกมันบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราก็ให้มันได้อย่างใจเราอันนี้คือมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเราจึงเป็นทุกข์เราเห็นได้จากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองสมัยนี้เห็นไหเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูเราเนี่ยซึ่งมันก็ไปอยู่งั้นะ มานานหลายยุคหลายสมัยแล้วบ้านเมืองไม่ได้สงบได้อันนั้นคือสิ่งข้างนอกเพราะสิ่งทงั้งนานทั้งปวเราควบคุมไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเห็นไหมใจเราเป็นทุกข์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงคนนู้นมาทำกับเราอย่างนี้คนนี้มาทำกับเราอย่างนั้นทาไมเขาถึงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เห็นใจเราเนี่ยมีปัญหากับสิ่งรอบตัว อันนี้จริงเนี่ยจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาสัมผัสกับเรารู้จักกับเราเนี่ยเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นน่แต่เราไม่เข้าใจเขาเราอยากเขาได้อย่างใจเราเนี่ยตัวเนี้ยมันจริงเป็นปัญหาตัวเนี้ยอย่างฤดูเนี่ยฤดูฝนมันก็ย่อมีฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาบางบ้านบางที่เนี่ยฝนตกรั่วรถมาอยู่ข้างในในบ้านก็ไปโทษฝนกลืมโทษว่าเราเนี่ยมุงหลังคาไม่ดีแต่ไปโทษฝน เนี่ยมันจึงมีปัญหาเพราะว่ารู้ไม่ทันตาที่มันเป็นจริงถ้าเรามีสติสักหน่อยเราจะป้องกันได้ว่าอ๋อในสิ่งทงต่ายทั้งโกงที่มากระทบต่างตาตั้งหูนี่มันไม่เที่ยงเราเรามีสติรักษาใจไว้ไม่ปล่อยให้กิเลสที่มาต่างตาต่างหูนี่รั่วลดจิตใจเราทุกคนถ้าป้องกันที่จิตใจได้แล้วก็เหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยไม่มีปัญหาคนเราก็าเช่นเดียวกันเนี่ย เหการต่างๆหรือเรื่องงานต่างๆนี้มันมันเป็นเรื่องสับสนวุ่นวายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีงานที่ไหนที่มันไม่วุ่นวายแต่ว่าเป็นวัฏจัยเรามีปัญหาที่ใจเราว่าเพราะาเราไม่พอใจต่างหากจึงเป็นปัญหางานไม่ใช่ปัญหาแต่ความไม่ได้ใจเราเนี่ยอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถรักษาใจไว้ได้ให้รู้ท่าทานันตามความเป็นจริงเนี่ยทุกจะน้อยลง <S <S ผมเองก็ แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะสมัยที่การใหม่ๆพศ .2522 เป็นทุกข์มากไอ้ทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเราคิดว่าคงจะหนักเพียงพอแนละ้วแต่ทุกข์ที่แท้จริงนั้นเป็นที่จิตใจไม่ใช่ร่างกายเพิ่งมาเปิดเผยตอนหลังที่ได้ปฏิบัติธรรมมาดูจิตดูใจตัวเองเนจึงรู้ว่าทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายเป็นที่จิตใจแต่ตอนแรกไม่เข้าใจ เมื่อร่างกายต้องพิการเพราะร่างกายพิการใจก็เลยหมกมุ่นวุ่นวายในเรื่องร่างกายเราไม่น่าไปอย่างนี้เลยเราไม่น่าไปอย่างนี้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเจ็บ อ, อกเจ็บใจมวุ่นวายอยู่เรื่องร่างกายเนะี่ยไม่เข้าใจในส่วนนี้คิดว่าเพราะร่างกายมันพิการเราจึงเป็นทุกข์คิดว่าชีวิตมีหนึ่งเดียวคือส่วนร่างกายแต่พอมาได้ปฏิบัติธรรมนะ โชคดีที่ได้รู้จักกัลยาณมิตรหลวงพ่อคำเขียนในนามวิธีการเจลสติคือการฝึกฝนกจิตใจคือการฝึ ก, กจิตก่อนจะฝึ ก, กจิตเนี่ยรักษาร่างกายมามากทั้งหมอแผนปัจจุบันแผนโบราณทำสรพัดอย่างยศยสาสก็รักษานะเพื่อใช้ร่างกายมันหายใจจะได้ดีคิดว่ากายดีแล้วใจจะดีด้วยไม่เข้าใจในส่วนนี้ แต่พอ ม, มาฝึกจิตใจร่างกายไม่หายก็รักษาทางจิตดูวิธีที่รักษาทางจิตคืออาศัยธรรมโอสถนี่แหละรักษาจิตใจโดยการฝึกสติฝึกสติสติแปลว่าความละลึกได้ละลึกได้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกนอนพลิกมือเล่นแต่ก่อนนี้ผมเคลื่อนไหวได้ไม่มากขนาดนี้หรอกอยู่นานๆไปมันก็เคยไปเองก็ฝึกการเคลื่อนไหว เนี่ยฝึกสตินอนพลิกมือเล่นรู้สึกรู้สึกพลิกมือเล่นก็นรู้สึกตัวไม่ได้ทําอะไรออกจากงานแล้วอยู่ที่บ้านฝึกที่บ้านนะฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ที่บา้านไม่ได้ไปที่วัดใครก็ทํางานทางกายกันไม่เป็นไรเรานี่ตกงานทางกายมาหางานทางจิตธรรมโดยการฝึกสติพอฝึกไปนานๆเนี่ยฝึกแค่รู้สึกตัวนะนอนพลิกมือรู้สึกตัว ทิกมือเล่นก็รู้สึกตัวจะทําอะไรก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ลาคาญเหมือนกันเพราะเรามันเคยไปไหนเมื่อไหนได้แต่ก็ต้องมานอนทิกมือรู้สึกตัวตามแนวที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงเทียนนี่ยกมือสิบสีจังหวะแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่อาศัยการเคลื่อนไหวเรลียบทสั้นๆน้อยๆเพราะฝึกไปนานๆเนี่ยมันเกิดสิ่งที่แปลกใหม่เหมือนสิ่งที่ มาสะจั่นนะจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกมันก็หมกมุ่นไปกับอารมณ์ต่างๆโดยเพราะเรื่องของกายเนี่ยต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องกายก็เรื่องความคิดกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดจิตใจไม่ได้พักผ่อนเป็นทุกข์สภาพที่เป็นทุกข์แต่พอเรามาฝึกสติเนี่ยมันมีอัศวินมาขาวมาช่วยคือสติสติเป็นหลักจิตเราเนี่ย เคยเกาะอยู่กับกายต่อไปมันมนไหลอยู่กับจิตไหลไหลอยู่กับสติจิตเคยเกาะอยู่ที่กายต่อไปมาไหลอยู่ที่สติคือจิตทาหน้าที่แค่รู้สึกเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีไสยศาสตร์เลยเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมดาฝึกแค่จิตมันรู้เฉยเฉยแทนที่มันจะรู้แล้วก็คิดปรุงแต่งนี่มันรู้เฉยเพอจิตมารู้เฉยเฉยนี่มันก็เลยแยก แยกโดยการที่ไม่ไปพัวพันกับร่างกายที่พิการแยกออกมาอยู่กับเครียกตัวรู้ไม่เป็นตัวเป็นตนนะในภาษานักปฏิบัติเรียกตัวรู้คือตัวรู้เนื้อรู้ตัวมันก็รู้ว่าอ๋อล่างกายนีย่ไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปัญหาความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเรื่องของกายเห็นไหมโอ้กายมันมีปัญหาแบบนี้เองกายมันเหมือนคนไข้เหมือนคนป่วยแต่จิต ซึ่งมีสติเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมีสติพี่เลี้ยงเนี่ยสามารถควบคุมดูแลกายได้โดยที่ไม่ต้องเป็นไปเป็นกับร่างกายได้มันแยกกันโดยสภาวะแต่ไม่ใช่โดยโดยรูปธรรมมันไม่ไปผัวพันกับเรื่องร่างกายมันมันยังกับอะไรร่างกายเป็นเสมือนบ้านจิตใจเป็นเสมือนเจ้าของบ้านเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านนะคือจิตใจร่างกายคือบ้านที่มันสมโซอีกไม่ชามันก็พังเนี่ยแล้วก็ซ่อมแซมไป ซอมแซมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันพังไปจิตเป็นเหมือนเจ้าของบ้านร่างกายเป็นเหมือนบ้านเราก็ดูแลแล้วก็อาศัยกันไปจิตมันเป็นอิสระตอนนี้ก็ก็มาดูแลกายมาดูแลกายมาช่วยเหลือเขาที่เราช่วยได้แต่จิตนี่พ้นออกมาจากความทุกข์ที่เกิดจากท่าร่างกายจึงมารู้ความจริงว่าจิตเราเนี่ยความทุกข์แท้จริงไม่ใช่ที่ร่างกายมนที่จิตใจ เพราะจิตมีความเห็นผิดคิดว่าร่างกา ย, ยมันเป็นตัวเราของเราจริงๆที่แท้มันเป็นแค่แคเครื่องอาศัยถ้าใครยึดติดว่าร่างกายเป็นเราเนี่ยจะต้องเป็นทุกข์นะเพราะเราต้องแก่เราต้องเจ็บและเราต้องตายถ้าเราฝึกานานๆเราจะเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยจิตมันก็เลยสบายเลยทีนี้มันก็สบายได้ไม่นานจะรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะควบคุมจิตก็คือเรื่องของความคิด คนเรามีปัญหาที่ความคิดถ้าเราคิดดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคิดไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ทันทีเลยพอฝึกสติได้แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการที่คิดดีกว่าเดิมแต่ก่อนมองโลกในแง่ล้ายเราเนี่ไม่น่าไปอย่างนี้เลยมันเวรกรรมอะไรของเราคิดมองโลกในแง่ล้า ย, ายคนทั่วไปก็คิดแบบเนี้ยพอคิดมองโลกในแง่ล้า ย, ายมันก็เท่ากับเป็นการซ้าเติมตัวเองใช่หม แต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่มองโลกในแง่ของความถูกต้องไม่ใช่ในแง่ดีนะมันเหนือดีนะมองโลกในแง่ดายดอันนี้ก็ไม่ถูกทําให้เป็นทุกข์มองโลกในแง่ดีอันนี้ก็ยังไม่ใช่ที่เรามองแบบปลอบใจตัวเองก็ยังไม่ใช่แต่ก็ยังดียังช่วยอะไรเรียกว่าช่วยให้อาหารใจไม่เป็นไร เรารับกันไปก่อนต่อไปเราก็จะหายอะไรนะไม่เป็นไรหมอโรดในแ ง, งด่ดีแต่ก็ยังไม่ใช่แต่การฝึกสติช่วยให้เกิดปัญญาหมอโรดในแง่ความเป็นจริงอันนี้ถูกต้องกว่าหมอโรดในแง่ความเป็นจริงคือเห็นความไม่แน่นอนของโลกนี้เห็นความที่บังคับบัญชาไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นแต่ทําหน้าที่กับโลกโดยต้องไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น จะมองชีวิตและก็โลกเนี่ยตามความเป็นจริงคนทั่วไปนี่อยู่ในโลกนี้นี่มีหลายแบบแบบหนึ่งคือหนีโลกเห็นไหมหนีโลกไม่รู้ไม่เชื่อเข้าปา่าตะพุ่งตะพืหนีโลกนี่ก็ไม่ใช่นะอีกฝ่ายหนึ่งชอบจัดโลกอันนี้เหนื่อยหน่อยแต่ดีมีประโยชน์แต่เหนื่อยคนจัดโลกนเหนื่อยนะจัดใจเรานี่เพราะ้ควจัดให้ได้ใจเราเนี่ยโอยใใย้โหเหนื่อยมากย แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดูโลกดูโลกและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องตามวราระและก็โอกาสอันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยอย่างผมนี่สบายเลยคนพิการไม่ค่อยจะทำอะไรทําอะไรไม่ได้ก็ทําใจไว้ก่อนดูโลกแต่ถ้ามีโอกาส ก, ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างวันเนี้ยมาเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวก็กลับไปไม่มีการฝูกพัน อันเนี้ยใจจะไม่เป็นทุกข์คนที่ฝึกสติเนี่ยทำให้เกิดปัญญารู้จักแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้ด้วยในบางโอกาสจะเป็นคนที่มีพลังในทนางด้านจิตใจพลังอะไรไม่เกินพลังสติจะมีวิธีคิดที่ดีอันเนี้ยการภาวนาถือว่าเป็นบุญขั้นสูงสุดในเรื่องบุญทั้งหลายการภาวนาคือการฝึกสติ ฝึกใจให้สงบฝึกใจให้มีความรู้สึกตัวอันนี้คือการภาวนามันแก้ปัญหาตัวเองได้มันทําให้เราไม่มีความทุกข์สิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือความสุขแต่ความสุขจะมีได้เต็มที่นั้นต้องเอาทุกจากจิตออกเสก่อนทุกในจิตออกเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวใจก็จะเป็นสุขไปเองเขาบอกว่าศาสนาพุทธสอน เ, เรื่องทุกอ น, นัรก็ทุกอนไรก็ทุกถูกแล้วแต่ท่านบอกว่าอันนี้ทุกและบอกวิธีการออกจากทุกให้ เขสอเลือกทุกข์แล้วเนี่ยพอละทุกข์ได้แล้วสุขมันก็เกิดขึ้นเองบางคนที่อาบน้ําสะอาดแล้วก็ถึงจะสวมเสื้อผ้าบางคนไม่ได้อาบน้ําเลยนะทํางานทั้งวันแล้วก็ไปสวมเสื้อใหม่เนี่ยมันก็แลดูไม่สะาดเพราะฉะนั้นเหมือนอากับจิตใจเราเนี่ยฝึกจิตเอาทุกข์ออกจากใจออกซะก่อนแล้วใจก็จะมีความสุขอันนี้คือแนวคิดแนวการปฏิบัติที่จริงการฝึกสติเนี่ยนะ ทำได้ทุกที่อยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆปุสติถ้าทำได้เนี่ยใจเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้แน่นอนเราใช้ชีวิตที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทัวมีสติแล้วขณนที่กาลังรู้สึกตัวกับการฟังอันนี้มีสติแล้วใจเราก็เป็นปกติเราไม่เคยคิดแล้วว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหน เพราะอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราคิดเมื่อไหรถึงอดีตเมื่อแล้วก็เราจะมีปัญหาทันทีเลยเคล็ดลับวงการอยู่อย่างมีความสุขก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับการงานของเราเนี่ยการมีสติอยู่การทํางานเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการทํางานงานแม้ว่าจะเร่งรีบรีบร้อนแต่ใจเราก็ไม่ได้ร้อนตามเลื่องที่เรต้องเรีงดียพงไงเขาว่ารีบร้อนไหม แต่ถ้ารีบร้อนทำงานอย่างมีสติเนี่ยมันมันไม่ร้อนนะมันรีบแล้วมันก็เย็นอยู่ข้างในรีบได้แต่ใจมันก็เย็นงานไม่จะเคร่งเครียดแต่ใจก็มีแต่ความผ่อนคลายนะการทำงานอย่างมีสติคนมีสติกับแดนงานเนี่ยงานจะไม่ค่อยผิดพลาดเกิดสังเกตไหมจะรู้จักตัวเราด้วยแล้วรู้จักเพื่อนร่วมงานจะไม่กระทบกันต่างฝ่ายต่างมีสติด้วยกันเนี่ยจะไม่กระทบกัน ถึงกระทบกันบ้างมันก็ไม่กระเทือนถึงจิตใจไม่ถึงกับการมีปัญหาอันนี้เป็นบุญนะสติเนี่ยถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นกุศลเป็นการสร้างบุญอยู่ในตัวเลยทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตก็เป็นกุศลใช่เราสามารถสร้างกุศลได้ทั้งวันกับงานของเราเนี่ยง่ายๆเลยวิธีการที่จะทำบุญในแต่ละวันเนี่ยทาหน้าที่ไปด้วยแล้วก็ ปฏิบัติทําไปด้วยก็ได้ทํางานด้วยความรู้สึกตัวอันนี้คือเป็นส่วนของบุญอย่างที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยเนี่ยเราสามารถทําบุญได้ตลอดเวลาเลยเป็นสถานที่ที่ผลิตบุคลากรที่ไปให้บริการบุญเหมือนเนยผลิตบุคลากรให้ไปให้บริการบุญเนี่ยโอ้เนี่ยให้บริการบุญเนี่ยไม่ค่อยได้ยินคำนี้แล้วมีหลายคนต้องมาใช้บริการบุญ ถ้าเราทำงานโดยหน้าที่อันนี้ไม่ได้ต่อนนะอันนี้เป็นข้อที่เห็นทำงานโดยหน้าที่สักแต่ ว, ว่าทำไปเรื่อยๆเราคือลูกจ้างธรรมดานะถึงเวลารับเงินเดือ น, อนลูกจ้างธรรมดาแต่ถ้าทำงานโดยหน้าที่แต่ทำใจให้เป็นบุญโดยการทำด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ของงานมีเมตตามีกรุณาณเป็นที่ตั้งจิตใจจะได้ทั้งงานได้ทั้งบุญ ได้งานแล้วก็ได้ใจด้วยบุญอยู่ที่ใจได้สองอย่างเลยเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะการทำงานเลยถ้าเรามีสติไปกับการทำงาน เ, ลลเนี่ยแหะบุญพวกนี้จะเข้าหมดจะมีทั้งเมตตากรุณามีความขยันมีการให้อภัยแล้วก็มีความอดทนอยู่ในตัวเนี่ยบุญทั้งนั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นแง่คิดหนึ่งซึ่งผม สมัยที่ผมเรียนหนังสือนะเปียนตอนอายุประมาณยี่สิบผมได้ไปบริจาคโลหิตเขาก็เอารถมารับไปบริจาคโลหิตพอไปถึงสถานที่บริจาคโลหิตตอนแรก ม, มันก็มีศรัทธาเห็นเขาไปให้ก็ไปให้บ้างเกิดศรัทธาอยากแยบริจาคโลหิตแต่พอถึงที่นั้นเนี่ยมันเกิดความกลัวกลัวไปเห็นเครื่องมือเห็นเข็มก็เนี่ ยังไม่ทันมาจิ้มเราเลยเรากลัวล่ะเกิดความกลัวความกลัวนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นอคุสนะถ้าตายตอนนั้นนะโอ้ตกอบายภูมิเลยแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้จักพูดเขาคงรู้ว่าเรากลัวนะเพราะว่ามีเหงื่อออกซิฟซิฟมืเขาก็พูดโอ้นี่คงจะเดินทางมาเหนื่อยด้ร้อนเหงื่อออกแล้วก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเนี่ยเปลี่ยนมาสนใจ เขาพูดดีนะพูดว่าบอกไม่เป็นไรนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายละเงื่อนออนนิดหน่อยเดี๋ยวบริจาคกนิดหน่อยเราก็ได้บุญก็พูดในเรื่องของสะพานบุญนะใจเรานี่กลัวนะเปลี่ยนเป็นศรัทธาเลยนะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นศรัทธาเลยผมว่าผมนี่ได้บุญไม่เท่าไหร่หรอกผู้ที่ช่วยผมนี่นหะคนนั้นได้บุญมากเขาช่วยเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้เราเองก็เปลี่ยนใจได้ให้สักห้าร้อยซีซี หมายอยกมันเกิดศรัทธาอยากจะขอให้สักพันศีดีได้ไหมเนี่ยมันอยากจะบริจาคมากๆนะอันนี้เราถือว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของความสุขที่เกิดจากการทําบุญแล้วบุญสูงสุดก็คือการเจริญภาวนาคือการเจริญสติสติเป็นธรรมโอสถที่สามารถรับประกันได้ ว่าจะไม่ตกอบายถ้าใครมีสติอยู่เสมอๆเห็นไก่อนจะตายเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรบอกว่าให้นึกพุโทโธพุโทโธไว้นะแต่ที่คนฝึกสติอยู่เนืองเนี่ยไม่ต้องนึกใหม่ๆสติไม่ค่อยเกิดต่อไปเนี่ยจะเป็นความเคยชินสติจะทำหน้าที่เองก่อนจะตายมีสติรับประกันว่าไม่ตกอบายไม่มีบริษัทประกันชีวิตที่ไหนจะประกันว่าจะไม่ตกอบายมีแต่ประกันว่ามีเงินใช้ในชาตินี้ แต่ตายไปแล้วเลิกประกาศแต่ธรรมโอสถเนี่ยฝึกให้เรามีสติเป็นอริยทรัพย์ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอันนี้ขอฝากตรงนี้ไปด้วยนะเอาละเดี๋ยวเวลาจะน้อยก็ยินดีนะยาติธรรมจะมาพูดคุยซักถามหรือสนทานากันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประทับใจอีกส่วนหนึ่งประโยคสั้นๆว่าขณะนี้ ผมลาออกจากความทุกข์แล้วแต่เราสังขารดีกว่าทุกอย่างทุกไม่รู้ว่ากี่ตันก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ต้องถือเป็นโอกาสดีแล้วก็ยังจะมีอีกหลายคนที่ที่ว่าก็คงอยากจะได้อุบายในการออกจากทุกข์เหมือนกับท่านอาจารย์อาจารย์ได้พูดว่าการเจริญสติให้อานิสงส์มหาศาลแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจระหว่างคาว่า สติจะมีอนิสงฆ์มหาศาลแค่ไหนถ้าเทียบกับสมาธิแล้วมาตะกีอาจารย์ก็มีพูดทําว่าการทําบุญที่สูงสุดก็คือการเจริญสติการทําบุญอย่างอื่นให้ออนิสงฆ์หรือให้บุญน้อยกว่าอย่างนั้นหรือในบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจก็เลยขออนุ ญ, ญาตเพราะว่าพวกนี้มีหลายคนที่ก็ยังเงียบนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ให้หน่อยนึงค่ะขอพอบคุณมากค่ะอะนโมธนรา เอาการฝึกสติที่วเป็นบุญอันสูงสุดนั้นหมายถึงว่าถ้าไม่สติเนี่ยมันก็ต้องมีสมาธิคู่ด้วยสติคือความระลึกได้สมาธิคือจิตที่เป็นหนึ่งจดจ่อยอยู่กับอารมณ์แต่อารมณ์หนึ่งอย่างาท่านดิษฐธรรมเนี่ยกาลังฟังเนี่ยมีทั้งสติแล้วก็มีสมาธิถ้าขาดสมาธิจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าขาดสติจะไม่ได้ยินเสียง สติคือระลึกได้สมาธิคืออารมณ์เป็นหนึ่งสองอย่างเกิดคู่กันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าอะไรจะมากกว่ากันถ้าสติมากก็ถือว่าจะนำเอาปัญญามาใช้ถ้าสมาธิมากบางทีอาจจะขาดสตินะเคยไหเราเคยดูทีวทีตอนที่มันตื่นเต้นเนี่ยโสมาธิมากเลยแล้บางทีเข้าไปในกับในเรื่องราวต่างๆเป็นผู้กำกับมัางจัดสรร ชอบคุณโน้ไม่ช่บตัวนี้เนี่ยอันนี้คือสมาธิมากแต่สติเนี่ยจะมีความรู้ตัวว่าอ๋อเนี่เรากําลังดูทีวีนะอันนั้นทีวีอันนี้เป็นผู้ดูนะสติจะมีคุณมากกว่าคือสามารถระลึกได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่บางคนดูมวยออกท่าออกทางอันนั้นขาดสติแต่มีสมาธิมากแต่ทั้งสองฝ่ายนี่เป็นบุญนะอาจจะเป็นสมาธิมิจฉาสมาธิอันนั้นไม่ใช่ สมาธิคือความเป็นหนึ่งกับอารมณ์เหล่านั้นสติคือความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวก็ไนดะ้หลวงพ่อเทียนใช้ว่าความรู้สึกตัวที่ว่าการภาวนาเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดกว่าบุญทั้งหลายการภาวนามีสองอย่างมีสมาธิภาวนาเคยได้ยินไหมสมถะภาวนาคือทำใจให้สงบจิตที่สงบเนี่ยจะมีความสุข ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพลมเป็นสุขติภูมิแต่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะแม้แต่ความสงบอาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ได้อันนี้เรียกว่าสมาถะภาวนาคืออุบายทำใจให้สงบที่เขาบริกรรมาพุทโธพุทโธสมาราหังอันนี้คือสมาถะภาวนาเป็นบุญอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสนาภาวนา วิปัสนาภ า, าวนาเนี่จะเนื้อกับสมถะในที่ว่าทําจิตให้รู้แจ้งทําจิตรู้แจ้งคือเป็นเรื่องของปัญญารู้แจ้งอาศัยความสงบด้วยแต่ว่าสงบแบบรู้เนือ้อรู้ตัวสมถะนี่สงบแบบไม่รู้ตัวนะสงบนิ่งดิ่งเข้าชาไปเลยแต่วิปัสนานี่สงบแต่รู้ตัวผลคืออะไรผลคือตัดเสืส่อมกิเลสซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ ความโลภความโกรธความหลงกิเลสคือใส่เหื่องความทุกข์แต่ถ้าฝึกสติแล้วเนี่ยจะนำเอาปัญญามาใช้รู้เท่าทันกองกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ปล่อยวางกิเลสปล่อยวางเห็นเองความทุกข์ทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อทุกข์ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความปล่อยวางเหลือแต่หน้าที่ที่ต้องทา โดยที่ใจไม่เอาผลของหน้าที่นั้นแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกตัดภพตัดชาติไปเลยอันนี้คือผลของวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้แจ้งเป็นเรื่องของปัญญาแต่จะมีวิปัสสนาได้นั้นต้องมีสติก่อนสติผู้ที่ขนส่งเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหานั่นการฝึกสติจึงมีผลมากกว่าการฝึกทําสมาธิแต่ดีทั้งคู่นะอาจจะเหมาะสําหรับใครก็ได้ อย่างผมนี่ทำแค่สมาธินี่โรคของผมนี่มันรุนแรงสมาธิเป็นยาที่ไม่เพียงพอที่รักษาโรคผมได้ต้องอาศัยการเจริญสติปัณนาผ่าตัดโรคร้ายตัดรากถอนโคนมันจึงจะหมดโรคต้องใช้การเจริญสติเพราะว่าอะไรเพราะเวลาทำสมาธิเนี่ยใจมันสงบกิเลสมันก็สยบอยู่ชั่วคราวนะใจสงบแต่ว่า ถ้าเราเผลอไม่ได้ทำสมาธิเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเน่ยเวลามีใครมายุ่้โกรธก็โกรธอีกมันนี้โกรธหนักแน่นนะสมาธิขี <c> ้โ <oughs> กรธโกรธหนักแน่นเรื่องนิดเดียวนะโอ้โหขุดคุยมาเป็นเหตุผลยาวมากเสแล้วมันก็มัดใจตัวเองให้เป็นทุกข์แต่พอฝึกสติการฝึกสตินี่ไม่มีการบังคับอยากคิดก็คิดจะปรุงก็ปรุงจต่สติรู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามไม่กดทับกิเลสโดยแบบสมาธิ แต่รู้ทันกิเลสแล้วก็ไม่ทำตามหัวเราย่อกิเลสจิตมนเลยพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่า น, นั้นใช่ไหมมันจะยาชนะความทุกข์ในตัวเราได้เห็นไหเรามีโรคขนาดไหนบางคนเนี่เวลามีปัญหาชีวิตแค่ทำสมาธิก็หายบางคนแค่ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจแก้ปัญหาใจได้บางคนต้องปฏิบัติทำสมาธิบางคนต้องเจริญสติจึงจะเกิดปัญญา มีคําอยู่คํานึงที่บอกว่าอะไรความสุขนอกเหนือจากความสงบไม่มีเคยยินไหมความสงบเนี่ยเป็นความสุขเราได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้แล้วโอ้นี่ถ้าใครออกคาถามได้เนี่ยหรออกปัญหามาว่าอะไรคือความสุขแล้วตอบความสงบถูกต้องเลยได้คะแนนเลยแต่เรายังไม่เคยรู้จักความสงบเลยเขาเรียกรู้จํารู้จักไว้พูดคุยได้ตอบคาถามได้แต่ไม่เคยทําความสงบ แต่พอเราทำสมาธิฝึกทำสมาธิมันจึงเข้าถึงความสงบเห็นไหมต้องใช้ปัญญาในขั้นปฏิบัติคิดเอาก็ไม่สงบยิ่งคิดมันยิ่งไม่สงบนะแต่ฝึกทำสมาธิเนี่ยมันก็สงบได้ปัญญาในขั้นปฏิบัตินั้นเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเจงก็บอกว่าความโกรธไม่ดีใครก็รู้ความโกรธไม่ดีแต่ทำไมจึงต้องโกรธ คิดเอาว่าความโกรธโกรธแล้วทําให้ตกนรกทําให้หน้าตาไม่สวย ง, งามแกง่ายตายไวเราก็รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าทําไมไมันต้องโกรธเนยเพราะไม่ได้การปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติการอาชนะความโกรธนั้นไม่ใชคิดเอามางทีใคลทวนนะแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งโกรธก็มีนะโอ้คิดอะไรเราเป็นคนถูกเสมอยิ่คิดเรายิ่งเป็นคนถูกยเราเป็นคนถูกเรายิ่งเรายิ่งทุกข์บางทีคนถูกนี่ทุกข์หนักนะ แต่พอฝึกสติเนี่ยมันรู้จักปล่อยวางเออถูกมันก็มีเที่ยงปล่อยวางความโกรธได้ต้องฝึกจิตโดยสายสติสามัญชารามอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้ได้ฝึกฝึกสติตามแนวของหลวงพ่อคำเขียนนะคะเผอิญ<ฮ>ว่าตัวเองก็ได้ศึกษา ม, มาบ้างในแนวว่าในแนวของท่านนะคะ<ฮ>ในแนวของหลวงพ่อเทียนคราวนี้อาจารย์เป็นอามาพาร น, นะคะ แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่สามารถจะทำจังหวะตามที่หลวงพ่อเทียนท่านได้แนะได้เนะะี่ยค่ะอาจารย์แค่พลิกมือเนี่ยนะคะ อ, อ, อย่างเดียวหรืออย่างไรคะแล้วก็ความทุกข์เนี่ยมันหายไปตอนไหนมันมีช่องให้ทุกข์มันออก <c oughs> คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายแบบเห็นไหมนั่งหลับตารวมมหายใจเข้าออกการบริกรรมพุโทโธการหลับตาเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยผมทาไม่ได้หรอก อย่างแนวที่นอนแล้วก็หลับตาเนี่ยโอ้โหผมหลับตาแล้วหลับในเลยนะหลับสบายเลยด้วยตื่นมาเราก็ยังพิการเหมือนเดิมมันออกจากความพิการไม่ได้เราเป็นคนพิการความพิการที่เราพอหลับตาเมื่อไหร่ผมก็หลับในทันทีเลยแล้วการฝึกสติเนี่ยไม่ต้องใช้วิธีการหลับตาลืมตาโดยธรรมชาติแค่ลืมตาเราก็ไม่ค่อยหลับนะแล้วก็การปฏิบัติแนวรงพเทนี่อาศัยการเคลื่อนไหว เราเคลื่อนไหวนี่ก็ไม่ค่อยหลับเนี่ยเรานั่งเฉยๆในเดี๋ยวง่วงและแต่พอทํางานเนี่ยทำไมมันจึงไม่หลับเพราะอะไรการหลับหรือการตื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่จิตใจเราอีเลียวที่เคลื่อนไหวเนี่ยทำให้จิตมันตื่นสติมันตื่นได้ง่ายแล้วการลืมตาสู้กับโลกเนี่ยมันทําให้จิตนี่มันตื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะถ้าถ้ามัน ง, ง่วงจะหลับตานะทําตาโตๆเข้าไปลูกพระเทียนเนี่ยสอนให้ยกมือสิบสจังหวะ เมื่อก่อนอคุณชกนี้ไม่ได้หรอกอยู่นานไปมันเลยทําได้ก็ทำไงเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งหรือก็นอนเนี่ยก็นั่งพลิกมือเล่นที่ก็นอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกให้สตินี่มันควบคุมจิตเอาไว้เพราะจิตนี่มันคอยฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆพอมีการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักเนี่ยจิตมันก็เลยมีที่เกาะเกาะอยู่ที่กายโดยไม่ต้องมีคําบริกรรมเลยเอาแค่รู้สึกล้วนๆโดยธรรมชาติ มันอบอกว่าหนึ่งสองไม่ต้องนับพมือพริกมันก็มีการเคลื่อนไหวรู้สึกในการยืดเคลื่อนในตัวเขาเรียก ต, ตัวปรมัติจิตมันก็เลยพลากออกจากความคิดมาอยู่ความรู้สึกตัวตอนนี้เราก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะมองเห็นได่ไม่ชัดแต่ถ้าเราขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยมองลงมาเนี่ยเป็นภาพเบิร์ตไอวีมองลงมานะจะเห็นทุกอย่างพอฝึกสติแล้วเนี่ย มันสูงกว่าปกติของรู้สึกนะมันสามารถเห็นตัวเราแล้วก็เห็นเหนตุของความทุกข์คือความคิดเราหลับแล้วไม่ค่อยทุกข์อะไรหรอกแต่ความคิดเนี่ยมันมาปรุงแต่งโดยเพราะคิดเป็นเราเราพิการนะมันมีตัวเราเพราะความคิดนะมีหนี้มีสินก็เพราะความคิดด้วยถ้าเราไม่คิดเนี่ยหนี้ไม่เกิดที่ใจแล้วนะเนี่ ย, ย, ยบางคน่าเป็นหนี้ใครมาเนี่ย บัตรเครดิตเท่าไหร่มันคิดนะถ้าไม่คิดบัตรเครดิตก็ไม่เป็นหนี้กรรมต่างๆเกิดจากความคิดเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่ตอบสนองเราแต่คิดไหแล้วก็กรรมส่งผล ท, ทันทีเลยความคิดเป็นเหตุของกรรมเป็นทังความทุกข์แล้วความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถฝึกสติให้ปล่อยวางความคิดได้เราห้ามความคิดไม่ได้นะเราสามารถรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางได้ โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดจิตมันหลุดพ้นเพราะว่าเราไม่ผูกพันกับความคิดซึ่งยากกว่าร่างกายความคิดเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสได้แต่ร่างกายเราเห็นด้วยตาเนื้อเราสามารถรู้แล้วก็วางมันได้ง่ายๆกว่าความคิดเหตุของความทุกข์คือความคิดเราก็รู้ทันมันซะแล้วก็ไม่ไปกับความคิด แนวลงพ่เทียนดีๆอย่างหนึ่งการปฏิบัติที่ไม่ห้ามความคิดไม่บังคับความคิดแต่ให้รู้เฉยๆจิตก็เลยอิสระจากความคิดเนี่ยคือจิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งแต่มีคิดไม่มีแต่ไม่เอาฝึกสติเ่าเป็นขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่หนีไม่ไหนนะรู้จักทําหน้าที่เกื้อกูลกันก็นานนะประมาณหนึ่งเดือน 1เดือนนี้ไม่ใช่บรรลุธรรมนะหนึ่งเดือนนี้แค่เห็นทิศทางของการปฏิบัติว่าขนทางนี้นำมาเส่งความหลุดพ้นขนทางนี้นำมาจากพ้นเราพ้นจากความทุกข์ได้ทุกอย่างแก้ได้ทุกโรคไม่ต้องเสียสามสิบาทนอนพิกมือเราก็รู้สึกตัวเนี่ยใหม่ๆมันก็ยากหน่อยนะเพราะว่ากรรมของเรานะมันจะมีความคิดปรุงแต่งมากการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องต่อสู้กับความคิด ต่อสู้กับความเบื่อคนเราเนี่ยทำอีลาวดำเดิมเนี่ยพิกมือเล่ น, นเฉยเนี่ยเบื่อไหมมันเบื่ อ, อยุ่เฉยก็เบื่อต้องหาอะไรทํานี่เราต้องจะเป็นต้องนอนพิกมืออดทนกับความเบื่อทุกขเวทนาร่างกายซึ่งมันมีอาการชาการแน่นมันก็มากอยู่แล้วก็ต้องอาศัยอดทนก่อนอดทนกับความเบื่อเพราะเราไปไหนไม่ได้ดีแล้วที่มันพิการมันช่วยเราอยู่กับตัวเองให้มากๆตั้งดีแล้วเบื่อก็ทนไป ที่เกียร์ก็ทนทําไปทีนี้ว่าคนเรานี่เวลามันเครียดมันฟุ้งเนี่ยมันก็อยากออกไปข้างนอกแต่เราไปไม่ได้เรามีวิธีการหนีหนีอารมณ์ทุกขโดยหนีฐานด้านจิตใจมาอยู่กับสติซะแล้วก็ไม่ไปกับอารมณ์แบบนั้นความอดทนเป็นคุณธรรมความอดทนเป็นการปฏิบัติธรรมอดทนไว้ก่อนพอทนได้ต่อไปเนี่ยจิตเนี่ยมันก็เลยมีภูมิต้านทานขึ้นมาขึ้นมา แล้วอารมณ์เบื่ออารมณ์เครียดเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมพราะจิตเราเข้มแข็งมีภูมิต้านทานสิ่งนั้นมันก็หายไปโดยธรรมชาติแท้ๆไม่มีใครจะต้องทนตลอดชีวิตทนได้สักระยะหนึ่งต่อไปมันก็เคยไปเองเคยไปทุกที่มันหนักกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่อย่างคนที่พิการได้กําเนิดเนี่ยกับคนพิการตอนนี้มันต่างกันคนพิการกําเนิดนี่จะทุกน้อยนะเพราลืมตาขึ้นมาดูโลกว่อ๋อเราเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่ต้องปรับตัวมาก คนแบบนี้นี่มาพิการตอนหลังนี่โอ้ต้องทําใจมากอาศัยความอดทนและการขยันการปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้บรรลุผลนั้นต้องมีความอดทนอดทนต่ออารมณ์ขยันทำใบๆลเนืองเดี๋ยวธรรมมันก็จะเกิดในใจไม่ยากนะอ่าแค่ถูนี่มือเราถูนี่มือจ้ะอันนี้เือถูกันเบาๆนิ้วจีกกว้กันนเบาๆรู้สึกไหมโอ้นี่บุญมหาศาลเลยรู้รู้รตัวไหมทําได้ทั้งวันเลย เวลาใครพูดมากแล้วนั่งถูนิ้วมืออย่าไปราคาญรับโรคไม่ชําทําไม่เสียไม่ต้องไปปิดปากเขาเรารู้สึกตัวท่านคนข้างๆบนมากเราก็รู้สึกตัวท่านเนีนี่แหละมีสติแล้วแต่คอยทํานานๆหน่อยทำแค่เนี้ยแต่ทํานานๆรู้ตัวนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญญารู้แจ้งไปเองอยากรู้ทำต้องรู้สึกตัวง่ายนะเนี่ยอย่างผมเนี่บางทีมันเหนื่อยนะพลิกมือเหนื่อย นอนกระพริบตาเล่นรู้สึกเห็นไหมกระพริบตารู้สึกบางทีนอนยักคิว้วรู้ k, ึกไงกระดิกคุ้เล่นทําไม่ถึงที่มันยากสติเกิดง่ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรแต่เรากําลังฝึกใจเราเพื่อความพ้นทุกกระพริบตาก็ง่ายนะเพราะว่าง่ายกว่าการปอกลอป ก, ปอกล้วยเข้าปากผมปอกกล้วยเข้าปากเนี่ยผมต้องจับแล้วก็ต้องจับกล้วยแล้วก็เอาปากกัดช่วยตัวเอง มันยากนองกับพิบตานี่โอ้โหง่ายมาง่ายนะฝึกจิตฝึกใจมันอยู่ที่เราเห็นความสําคัญหรือไม่ทําไมคนจริงไม่ค่อยอยากปฏิบัติธรรมเพราะมองธรรมะเป็นเรื่องยากเย็นระยะหนึ่งคือไม่ให้ความสําคัญของธรรมะถ้าเราให้ความสําคัญของธรรมะเนี่ยเข้ากับการหาเงินแล้วก็ผมว่าเราจะมีโอทในเรื่องธรรมะเลยนะอะไรก็ตามอยากให้มันเจริญก้าวหน้าเราต้องให้ความสําคัญมากๆสิ่งนั้นก็จะมีค่าสำหรับเราแล้วเราก็จะขนควายทํำสิ่งนั้น อันนี้เป็นเคล็ดลับบางการที่จะไม่เบื่อไม่เซนในการทํางานให้ความสัมพันธ์กับงานงานก็จะดีอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่ายไม่ต้องห้ามอะไรไม่ต้องครับ ม, มันง่วงเราก็รู้ว่ามันง่วงแต่เราอทําทตามมันหาวิธีเอาจิตออกจากความง่วงให้ได้แสดงว่าจิตเราจะได้เข้มแข็งขึ้นถ้ามันง่วงเราก็หลับพร้อยแสดงว่าจิตเราอ่อนแอการฝึกจิตคือการฝึกให้มัน ให้มันรู้ทันอารมณ์แต่แล้วก็สุดที่จะไม่ทําตามไม่ใช่ความปวดความเมื่อยเนี่ยความปวดความเมื่อยเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราปฏิบัติทำแล้วมันปวดเมื่อยเนี่ยทุกแล้วทำไมปวดเมื่อยหมายถึงคนเป็นอัมพาตทุกแล้วที่มันยังทําหน้าที่ปวดเมื่อยแต่ลราก็เรียนรู้ความปวดเมื่อยโดยการมีสติอันนี้เป็นเรื่องของกายนะกายมันเจ็บมันปวดแต่ใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์การปฏิบัติทำเพื่อความไม่เป็นทุกข์ กลายเป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเราห้ามไม่ได้เขาเหมือนเด็กอ่อนถึงเวลากินต้องให้กินถ้าไม่กินมันเดือดร้อนแต่ใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับอาการหิวบางคนกายหิวแต่ใจโมโหเห็นหการฝึกใจคือร่างกายหิวใจเป็นปกติพาร่างกายไปกินก๋วยเตี๋ยวซะเพราะกายมันสบายแล้วใจมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมคือการฝึกใจเห็นหเพื่อตัวเราแท้ๆเลย แล้วคิดดูแค่หิวแค่นี้เราเป็นทุกข์นะแล้วเราจะต้องเจ็บไข้ได้ดป่วยต้องผ่าตัดจะต้องตายจากโลกนี้นะและใจเราจะทุกข์ขนาดไหนการฝึกเลเล่น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฐานของกําลังจิตอาชนะความทุกข์ที่มันไม่ง่ายก่อนต่อไปทุกข์ยากๆเนี่ยไม่เหลือวิสัยและทุกข์ในอบายเนี่ยโหน่ากลัวมากปฏิปทํามือการฝึกใจไม่มีการห้ามอารมณ์อะไรได้รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องทําตาม